ในเรื่องของสภาวะธรรมแล้วก็มันต้องตึกด้วยจิตที่มันสงบเซะก่อนนะ่ะมันจิตมันต้องค่อนข้างที่จะไม่พุ่งสัน้นไม่กระสับกระส่ายก็ทําให้ตึกระลึกถึงสภาวะธรรมอย่างนั้นเนี่ยมันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นผมตั้งแต่อ่านพระไตรปิฎกมาผมก็เริ่มเห็นตามที่ท่านอาจารย์บอกนี่นะเพราะจะทุกท่านจะทุกสูตรนะมักจะต้องพูดควบคู่กันไปอ่ะ นะเมื่อกี้ท่านบอกว่าอย่างน้อยที่สุดนะธรรมมานุสติเนี่ยนะธรรมานุสติเนี่ ย, นะรรยก็เห็นชัดอยู่แล้วถ้าหากว่าเราอ่ามีเอ่มเอ ม, อมีสังเวคะแปดเช่นเมื่อกี้นี่คุณวิลาวันถามผมมานะแค่สังเวคะแปดคือวัตถุที่ทําให้เราเนี่ยหรืออารมณ์ที่ทําให้เราเนี่ยเกิดสังเวชนั่นก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องของ ทำมนุสติแล้วมันเป็นเรื่องของทำมนุสติแล้วนะเมื่อเราเห็นสังเวคขวัตถุนั้นเนี่ยเขาทำให้จิตเราเนี่ยมันก็สงบไปนะมันก็หมดพยศไปเยอะแล้วนะเพราะว่าไปเห็นความเกิดทุกข์จากการเกิดชรลาพยาธิมรณ ะ, นะเนี่ยลองเห็นขเขาเถอะครับนะ ไอ้จิตที่มันกำแหงมันระเริงมันใหมมันก้าวร้าวรู้มันมันโลภหนักๆนี่นะมันจะลดลงไปเยอะทีเดียวนะฮะเจนพาหรือว่าถ้าเกิดไปเห็นว่านอกจากนั้นเรายังคิดถึงความทุกข์เก่าๆที่ผ่านมานี่ก็ขยงกันนะครับอดีตทุกข์เนี่ยนะครับโอ้โหบางเรื่องบางคราวนี่มันโอ้โหมันเรื่องใหญ่เลยเนาะคิดแล้วก็อืสลร เมื่อมันมีอดีตที่เป็นทุกข์ได้อนาคตมีได้ไหมครับโอแน่นอนครับมองไปข้างหน้าต้องมีเนี่ยแล้วครับสองคนอยู่ด้วยกันมาเนี่ยวันหนึ่งเราไม่ไปเขาก็ไปนี่แล้ววันนั้นก็คงจะต้องวันไว้กันบ้างแล้วนะเออนาะอืมเนี่ยตัวอย่างเห็นชัด ๆ, ๆอย่างง่ายเนี่ยนะความพัดพรางเนี่ยนะมันมันต้องมีอนาคตทุกข์นะใครจะมาอยู่กับเราตลอดเนี่ยนะแล้วเราจะไปอยู่กับใครตลอดนั่นนะครับไม่เข้าไปแล้วก็ไปนะือ <laughs> ทุกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นมากที่สุดในเรื่องสังเวชาสนะครับก็คือความทุกข์จากการสแสวงอาหารของสัตว์โลกเนี่ยผมเห็นมากเลยโดยเพราะว่าเราอยู่ในถนนนทางนี่นะฮะเราเห็นชัดเลยว่าทุกคนนะไปเพื่ออาหารทั้งนั้นเลยอะ่ะไม่ว่าจะใครไปธนาคารก็อาหารใครไปโรงพยาบาลก็เพื่ออาหารนะใครจะไปไหนๆก็ทั้งนั้นเ นั่งรถอะไรอะไรนั่งรถจักรยานรถเครื่องรถเก๋งรถอะไรไปนั่นนะแสวงหาอาหารนรั่นนะถ้าเราเห็นนูภาพแบบนี้แล้วเรามาตรึกเข้ามาเราจะเกิดสังเวชนะรถกระบะนี่นะนั่งกันเต็มอยู่ข้างหลังอะนั่นแหละครับหน้าดำดำนนะครับหน้าดำดำเต็มกระบะหลังนั่นแหละครับนั่นแหะทั้งนั้นเลยแหละขณะที่เรามีรับทานอาหารนะไม่ค่อยเดือดร้อนในเรื่องเรื่อง การกินกันอยู่เนี่ยนะเรานึกไม่ค่อยถึงนะแต่พวกที่เป็นชนชั้นกัรมาชีพเนี่ยหาเช้าแล้วมันกินขําจริงๆนะหาเช้าแล้วมันกินตอนข้ามอ่ะท่านเคยไหมครับปกติหรอฮะเคยมาจนเป็นปกติเลยนะพราะหาเชา้าเราข้ามไม่มีกินเคยไหมครับก็หลายปกติเหมือนกันเลยหรอฮนี่ยครั บ, รร น, รบนี่คือเป็นสังเวครชแปดนะนะนี่ก็เป็นธรรมานุสติใช่ไหมครับ จัอนอาการตารบพระธรรมสักหมวดหนึ่งนะเราต้องต้องไม่ลืมว่าเราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเราประพฤติพรหมจรรย์นั้นในพระผู้มีพระภาคเราต้องมีความรู้ในในสิ่งที่เราประพฤติอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องมีศรัทธาในธรรมะที่เราประพฤติการที่เรามีศรัทธาในธรรมะหมวดนั้นนั้นนั่นก็เป็น ธรร ม, มานุสตินั่นก็เป็นธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราปารภธรรมะสักข้อหนึ่งเช่นถึงปารภคำว่ารูปนามรูปนามก็คือคําสอนผู้ใดเป็นคนกล่าวไว้ก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้ า, าะฉะนั้นคําว่ารูปคําว่านามเป็นต้นก็เป็นคําที่พระองค์เนี่ยเป็นคนแสดงเป็นคนเปิดเผยประกาศทําให้ตื้นฉะนั้นแสดงว่าเรามีศรัทธาในหมวดนี้ อันเราศรัทธาพระธรรมมากเท่าไหร่มีความรู้ในพระธรรมมากเท่าไร่เราก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้เท่านั้นความรู้ความเข้าใจอันนั้นที่เราตรึกถึงระลึกถึงนะตามระลึกถึงนั่นแหละเป็นธรรมมานุสติอั้นผู้ใดจะมั่นคงในธรรมะหมวดนั้นๆเท่าไหร่ก็นั่นแหละคือการถึงไตราสารณาคมของคนนั้นๆว่าคนคนนั้นมีพระธรรมเป็นที่พึ่งขนาดไหน ถ้าหากว่าสิ่งที่เขาคิดถึงที่เรียกว่าพระธรรมแต่ละหมวดนี่ยถ้าเขาตรึกถึงด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดนั่นก็เป็นธรรมานุสติของเขา เ, เราสามารถสังเกตได้ในชีวิตจริงๆของเราเลยเช่นถ้าเราพูดถึงคำว่าขันธ์ห้าเราถึงธรรมานุสติข้อขันธ์ห้าขนาดไหนที่เราปฏิบัติตามขันธ์ห้านะ อย่างน้อยที่สุดศรัทธาในพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ทรงทําให้แจ้งขันห้าประกาเรื่องขันห้านั้นความรู้ในเรื่องของขันห้าผู้ใดปฏิบัติตามนั้นจนรู้แจ้งในขันห้าอย่างสมบูรณ์คนนั้นเรียกว่าพระสงฆ์ฉอันเรามีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามคําสอนว่าด้วยขันห้าแต่ขันห้าก่อนที่จะเห็นนี้พระองค์ก็กล่าวถึงวิสุทธิก่อนก่อนที่จะเห็นขันห้าจริงๆ ันการตามระลึกถึงขันห้านั่นแหละเป็นธรรมานุสติถ้าเราไม่เป็นคนดีระดับหนึ่งจริงๆนะกายกรรมเราไม่บริสุทธิ์วัจจิกรรมเราไม่บริสุทธิ์มนโนกรรมไม่บริสุทธิ์ระดับหนึ่งจริงๆแม้แต่คิดเรายังคิดไม่ออกเลยอันแสดงว่ากายกรรมวัจจิกรรมเราก็บริสุทธิ์ระดับหนึ่งเราจึงตรึกถึงพระธรรมได้ระดับหนึ่งทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเอาเป็นล่ําเป็นสรนเป็นกิจเป็นการเป็นงานก็ต้องมาชําระกันเต็มที่เลยนั่นแหละ ชัมระกายกรรมชัมระวะจีกรรมนะถ้าชัมระได้เท่าไหร่ความสบายใจก็จะมีมากขนาดนะั้นจะเห็นค่าของคำสอนมากขนาดนะั้นนะถ้าเรายิ่งดีเท่าไหร่นะเราจะเห็นพระธรรมท่านดีจริงๆถ้าเรายิ่งไม่ดีเท่าไหร่พระธรรมก็ไม่ค่อยดีเพราะจะซึ้งหรือไม่ซึ้งก็อยู่ที่ตัวเราเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดปฏิบัติตามทมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นแหละเข้าถึงเข้าถึงธรรม จะรู้ว่าทำดีหรือไม่ดีก็ผู้นั้นแหละเป็นประจักษ์พยานในในธรรมะหมวดนั้นๆไปเพราะว่าของพระองค์นั้นพระองค์มีพ้นแล้วพระองค์ทร ง, สงแสดงธรรมเพื่อความพ้นนะถ้าหากว่าผู้ใดที่ปฏิบัติตามพระธรรมก็แสดงว่าผู้นั้นก็ปฏิบัติเพื่อเพื่อความพ้นตปนั่นแหละฉะนั้นขอให้เราอย่างน้อยที่สุดนะขอให้มั่นในพระธรรมสักสูตรหนึ่งเถอะนะไม่ใช่ว่า โอเรียนพระธรรมมาเยอะแยะถามว่าปฏิบัติธรรมข้อไหนไม่รู้โอ้ไทอย่างนี้ก็เหมือนไงไปเรียนอุตสาห์ไปเรียนอยู่ยามาตั้งเยอะแยะนะป่วยขึ้นเอ๊ะจะกินยาอะไรดีเนี่ยอุตสาไปเรียนสูตรปรุงอาหารมาตั้งนอนหิวอยู่ทุกวันนั่นแหละก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าเสียดายมากเพราะ้นเราก็ควรที่จะศึกษาพระธรรมสักหมวดหนึ่งหรือสักสูตรหนึ่งก็ได้ให้เหมาะกับอัธยาศัยแล้วก็พอกพูลความรู้ในพระธรรมนั้น เ น, อเนืองเองธอนั่นแหละนั่นแหละคือเขาบอกว่าน้าทะเลนะถึงจะมากมก็กินไม่ได้อาบไม่ได้น้าบ่อนี่นะถึงจะไม่ใหญ่นักแต่ก็เดิมกินอาบก็อาศัยน้บาบอนั่นแหละอันพระธรรมที่เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจปฏิบัติตามได้นั่นแหละคือคือชีวิตที่เป็นจริงของเราในการเข้าถึงพระธรรมหมวดนั้นๆแต่การเรียนไว้กว้างขวางนี่เป็นประโยชน์ น, นะนะเรียกว่าถ้า เผื่อเป็นทางเลือกในแง่อื่นๆอีกซึ่งอาจจะเหมาะกับอัธยาสายของเรานั่นแหะแต่ น, น้อยที่สุดเนี่ยขอให้ไม่ได้ธรรมะสักหมวดหนึ่งเถอะนั่นแหละอนุสติก็ได้พุทธคุณธรรมคุณสังคคุณแต่ถ้าธรรมคุณนะพระไตรปิฎกทั้งหมดนะถ้าจะเอาแบบกว้างขวางเลยเพราะว่าธรรมะทั้งหมดคือธรรมคุณผู้ผู้ประกาศธรรมคุณทั้งหมดเหล่านี้ได้แหละคือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงคุณต่างๆเหล่านี้ นั่นแหละคือคือพระสมนั่นแหละแั้นเราก็สามารถที่จะมองเห็นพระัตนณาตรายมากขึ้นชั้นต้นนี่เรานับถือพระัตนณตรยัยแต่เราก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระรัตนณาตรายด้วยนะถ้ายิ่งปฏิบัติธรรมได้ขนาดไหนนะเราจะเริ่มเคารพตัวเองมากขนาดไหนการเคารพตนผู้ที่เคารพตนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคนนั้นมีอะไรคนที่เคารพตนเรียกว่ามี ฮีเรีเอ่าเป็นเทวธรรมอย่างหนึ่งนะถ้ายิ่งปฏิบัติดีขนาดไหนก็ยิ่งจะเคารพตนเองมากขึ้นใครเรียกว่าเคารพตัวเองได้อะกราบไหว้ตัวเองได้ในความที่เป็นคู่ที่อายชั่วกลัวบาปอย่างน้อยกายกรรมของเราน่าเคารพนะเราเป็นผู้ที่มีกายกรรมไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเรามีวิจีกรรที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่าย มีมนโนกรรมที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผอื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นมนโนกรรมที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขมีวิบากที่ดีเป็นเป็นกำไรนะเราก็เคารพตนในความที่มีกายกรรมที่ดีวจีกรรมที่ดีมนโนกรรมที่ดีนะทีนี้โอตปะคุณธรรมพื้นฐานเหล่านี้นี่แหละจะทำให้เรามองเห็นชีวิตเรามากขึ้น เพราะชีวิตของเรานั่นแหละพ้าผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเออนี่ขันห้านะนะจริงๆที่เรียกว่านายกรนางขอนายงไม่มีรอกนะคือขันห้านะก็มาแยกย่อยไปหรือนี่อายตนาสิบสองนะนี่ถือธาตุสิบแปดนะนี่เป็นสัตจะนะแต่สัตจะอันนี้ชีวิตของเราทั้งหลายจริงไหมยอมว่าจริงไหมที่เรามีมีอยู่นี่จริงไหมใครว่าไม่จริงมั้งอ่า ความที่นั่งนั่งกันอยู่นี่จริงไหมชีวิตเราจริงจริงแบบไหนอะเนี่ยสม ม, ต, ส ม, มติได้ยังไงจริงแบบนี้ก็ความจริงมีอยู่สองอย่างคือสมมุติสัตว์จะกลับปรมาทัศั์จะถึงสิ่งเหล่านี้เป็นปรมาทัศั์จะก็จริงแต่ความจริงอันนี้เที่ยงไหมอันความจริงเนี่ยพระองค์แบ่งออกเป็นสี่อย่างด้วยกันหนึ่งความจริงที่เป็นทุกข์ ความจริงที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงที่ดับทุกข์ความจริงคือข้อปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์อันนี้ก็คือของจริงขั้นการเรียนรู้พระธรรมก็คือเรียนรู้ชีวิตที่เป็นจริงอานะชีวิตที่เป็นจริงเออนี่นะชีวิตที่เป็นจริงคืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้านั่นแหละเป็นชีวิตที่เป็นจริงของเราท่านทั้งหลายเป็นชีวิตที่เป็นชาติชราพยาธิมรณะ ชาติชราพญาทีมรณะเนี่ยเป็นเรื่องปกติซึ่งผู้ใดเกิดมาในโลกนี้จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่ไอาชาติชราพญาทีมรณะก็คืออุปาทานขันห้าเมื่อเราแยกย่อยออกไปแล้วอุปาทานขันห้าจริงไหมจริงแต่ความจริงอันนี้พระองค์กล่าวว่าจริงแต่ไม่เที่ยงนะจริงแต่ว่าอุปาทานขันเนี่ยไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตา mm hmm. เพราะฉะนั้นความจริงเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติยังไงกับความจริงอันนี้นะความจริงในระดับอุ ป, ปาทานขันห้าเนี่ยสอนให้รอบรู้ด้วยปริญญาสามในอุ ป, ปาทานขันเหล่านี้เองเพรา ะ, ะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ของเราจริงๆก็คือตัวปริญญาตัววิชาตัวความรู้ตัว อุปสรธรรมที่เกิดขึ้นมาเรียนรู้เรื่องชีวิตเหล่านี้ถ้าเราเรียนรู้มองเห็นชีวิตมากเท่าไหร่นั่นแหละเราเข้าใจพระธรรมคําสอนเท่านั้นเราปฏิบัติตามคําสอนได้เท่านั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจน้อยเราก็ปฏิบัติตามได้น้อยนั่นแหละเพราะคาสอนในส่วนนี้เนี่ยพระองค์จึงกล่าวว่าให้ท่านทั้งหลายมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย เพราะว่าคำสอนทุกส่วนก็เพื่อที่จะชี้มาให้เราเห็นชีวิตพอเห็นเรื่องชีวิตเสร็จแล้วท่านต้องปฏิบัติเอาเองนะแต่ฐาคตเป็นแต่เพียงคนคนบอกทางเท่านั้นเองงนั้นพระองค์ก็เป็นคนที่แนะนำทางให้นะทางนี้เมื่อบุคคลไม่รู้นะจึงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารทุกข์อีกยาวนานนะถ้าหากว่าปฏิบัติตามทางนี้คือปริญญาเป็นต้นนี่นะปริญญาสามสามประชัญญสี่ผู้ที่ปฏิบัติตามทางเหล่านี้ เป็นที่ยังมารให้หลงวันนั้นนะเขบอกว่าผู้ที่มีสติปัญญาตามเห็นความไม่เที่ยงของของอุปาทานขันห้ามากเท่าไหร่มารก็หลงเท่านั้นแหละนั่นแหละมารก็หลงกิเลสมารก็หลงนั่นแหละอันกิเลสมารก็จะไม่ไม่อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอั้นถ้าหากว่าคนที่พอกพูนในเรื่องการเห็นทุกข์โทษของอุปาทานขันห้ามากๆนะพวกนั้นจะ คิดถึงคําว่าขันห้าเมื่อไหร่ก็นึกถึงคําว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนความฝันผู้การนั่งเล่าให้ฟังเมื่อกลางวันเนี่ยนะของอาตมานึกถึงสุ ป, ปิณูปมาว่าไงเหมือนความฝันดูเหมือนจริงจริงเหมือนกันก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่จริงแต่ความจริงอันนี้เหมือนกับฝันนั่นแหละแล้วก็ความจริงอันนี้เนี่ยไม่ได้มีคงทนถาวอารอะไรแม้ที่เรานั่งอยู่นี้ก็จริง แต่ความจริง <unes, S 1> อันนี้มีได้ตลอดไปไหมไม่ได้ตลอดเป็นความจริง <this> <Dad> ที่ไม่ท้าวรอะไรเป็นความจริงที่เอาเป็นสาระแก่นสารไม่ได้ความรู้เร <ung crowd und> ื่องความจริงอันนั้นแหละจึงจะเป็นที่พึ่งแกเราได้ตัวความรู้นะสัมมาทิฏฐินะไอ้ความรู้คือสัมมาทิฏฐิรู้ความจริงจนรู้ว่าเออความจริงบางอย่างเป็นผลความจริงบางอย่างเป็นเหตุนะ ความจริงที่เป็นผลคืออะไรเมื่อกี้กล่าวถึงขันห้าใช่ไหมรูปที่เป็นกรร ม, มชรูรเป็นความจริงที่เป็นเป็นผลความจริงที่เป็นเหตุก็คือตัวกรรมตัวเจตนากรรมเป็นความจริงที่เป็นเป็นเหตุในกรร ม, มชรูรเหล่านี้เนี่ยเขายังมีความจริงที่ที่มาเกื้อกูลให้เขามีมีชีวิตอยู่ได้ดำรงอยู่ต่อไปได้ความจริงอันนั้นก็คือ จิตเป็นปัจฉาชาแต่ปัจใจเกื้อกูลให้รูปเหล่านั้นดำรงอยู่ต่อไปได้และความจริงคือตาอันนี้ก็ยังเป็นเหตุนะเช่นรูปอาคารตาันี้ก็ยังเป็นวัตถุความจริงที่อาศัยเกิดขึ้นของของจิตนั่นแหละเมื่อตากับอารมณ์ที่เรียกว่าสีจิตเห็นก็จะเกิดขึ้นเพราะจิตเห็นก็จะเกิดขึ้นจากตาจากสีะนั้นตากับสีจึงเป็นฝ่ายเหตุผลของเขาก็คือจิตเห็น แต่สีนั้นก็ยังมีเหตุให้เกิดอีกนะสีอันนั้นเหตุที่ทําให้เกิดสีก็คือมหาภูตรูปมหาภูตรูป ก, ก็มีเหตุให้เกิดอีกมหาภูตรูป ก, ก็คือกรรมจิตอุตุและอาหารกรรมก็ยังมีเหตุให้เกิดอีกกรรมก็มีโยนิโสอยโยนิโสเป็นปัจจัยแล้วแต่กรรมนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูป แม้แต่จิตที่เป็นปัจจัยแก่มหาภูติรูปจิตก็ยังแบ่งเป็นกุศลอกุศลวิบากและกิริยาจิตที่เป็นปัจจัยแก่รูปแม้แต่อาหารโออาหารเองอ่านหนัาหางสือแล้วเนี่ยเวียนหัวเลยสารอาหารวิตามินเอถึงแซอย่างเงี้ยฟังแ้วหน้ามันจะเมาให้ได้เลยนะยาแต่ละตัวแต่ละตัวที่ไปนั่งอาา่านในตำรับยายาทั้งหมดในโลกนี้คืออาหารเชรูป อาหารทั้งหมดแหะคือให้าอาหารคําว่าอาหารชรูปนะคือสิ่งที่ต้องกินทานฉีดเข้าไปนั่นคืออาหารชรุบหมดเลยทางธรรมะใช้ศัพท์เดียวคือโอชาโอชาทีแรกคิดว่าแค่แค่วิตอ่าแค่วิตามินอย่างเดียวคือคําว่าโอชาจริงๆแล้วโอชาเนี่ยเกิดกับอวินิโพค ร, รูปทุกอวินิพกครูปอวินิพกครูปใดที่อยู่ข้างนอกแล้วเข้ามาเกื้อกูลกายอาวินิพกครูปนั่นแหละเรียกว่า โอชานะอวินิพกครูปที่เข้ามาเกื้อกูลกายเนี่ที่มาอุปถรัรมปบารุงแม้แต่ลมหายใจตัวออกซิเจนข้างนอกก็คืออวินิพกครูปนั่นเองที่หายใจเข้าไปที่เข้าไปเกื้อกูลดารงกายนี้อยู่ได้ก็มีความสําคัญแม้แต่น้ําที่เราเดื่มไปก็เรียกว่าอาหารก็คืออวินิโพค ร, รูปเข้าไปเกื้อกูลกายนี้ขันพระธรรมบทที่พระองค์เน้นมากที่สุดว่า สัตว์ที่รู้ธรรมะอย่างเดียวได้พ้นทุกได้รู้ว่าสัพเพสัตตาอาหารทิฏิกนะสัตว์ทั้งหลายดารงอยู่ได้ด้วยอาหารคาว่าสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงปัจปจุบันธรรมปัจจุบันธรรมทุกชนิดดารงอยู่ได้ด้วยปัจจัยนะพ้นทุกอย่างเกิดด้วยปัจจัยแต่ปัจจัยแต่ละอย่างเนี่ยนะตัวปัจจัยเองก็อยู่ด้วยปัจจัยเพราะอย่างเช่น วิอวิญญาณตัวนี้เป็นปัจจยบันเป็นผลของปัจจัยเป็นผลของอะไรเป็นผลของเจตนาเจตนาก็ยังเป็นผลของอีกอย่างหนึง่งเจตนาเป็นผลของอวิชชาเจตนาเองก็ยังมีวัตถุมีอารมณ์มีอุปนิสัยเป็นไปอวิชชาเองก็ยังมีอาหารอะไรเป็นอาหารของอวิชช า, านิวรหะนิวรหก็มีอาหารอาหารของนิวรหก็พวกอะไรอโยนิโสเป็นต้น ถ้าแยกมาเฉพาะตัวเฉพาะตัวการมาฉันท่านี่วอนก็มีอาหารเอแยกแยกแยกแยกไปนั้นสรรพสิ่งในโลกนี้ใช้คำว่าโลกนะสรรพสิ่งในโลกนี้สเพสังคาราอานิจจาสิ่งใดก็ตามที่ถูกประชุมขึ้นสิ่งเหล่านั้นไม่ท้าวรนทับอันมีแล้วหามีไม่แต่ถ้าไม่รู้นะเป็นอวิชชา อังนั้ความไม่รู้ตัวนั้นแหละผู้ศาสนากล่าวว่าเป็นโทษที่สุดของชีวิตคือความไม่รู้ในในความจริงสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นคำสอนเบื้องต้นของพระผู้มีพระภาคจึงสอนเพื่อเพื่อความรอบรู้อันพระองค์ประกาศ ธ, ธรรมจากครั้งแรกว่าจักสุได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวันนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขะนั้นตัวมัชชีมาปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกขเหล่านี้แหละเป็นทางสายกลางเพื่อพ้นจากกองทุกขะนั้นถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้นะถ้าหากว่าเรารู้ว่าที่สุดของชีวิตของคนทั่วไปก็คือมาฟังธรรมนะคละ้ายๆว่าทําทุกอย่างเพื่อเพื่อได้ฟังธรรมถามว่าฟังธรรมแล้วเพื่ออะไรต่อไปอีกเออธรรมะก็ฟังแล้วจะไปไหนต่ออีกเคยถามไหมจะไปที่ไหนต่อ ก็เพื่อที่จะไปฟังทมต่อเออถ้าไปฟังจนรู้เข้าใจแล้วจะไปทาอะไรต่อเองเออที่จบมันที่ไหนมันอยู่ตรงไหนเคยถามเนมเออยิ่งเรียนยิ่งเห็นนะครับเรื่องปัจจัยนี่นะครับธรรมะทุกชนิดนะครับมาเพราะปัจจัยทั้งนั้นนะปัจจัยทำให้เกิดผลผลตัวนั้นต่อไปมันเองก็เป็นปัจจัยต่อไปเนี่ยมันมันมันแปลกมากเลยนะครับเนทา เมื่อผลเกิดขึ้นนั้นผลตัวนั้นแหละก็เป็นปัจจัยจะทำให้ผลอย่างอื่นเกิดต่อไปอีกสรุปแล้วตัวมันเองนั้นเป็นทั้งปัจจัยด้วยแล้วก็เป็นทั้งผลหรือเป็นทั้งปัจจยุบันนะด้วยเ่นพาเป็นทั้งเหตุบางของบางอย่างอ่ะนะก็เหมือนกับเราเนี่ยแหละอ่ะนะเรานี่นะเป็นทั้งถ้าคนทั่วไปนะเป็นทั้งแม่ด้วยเป็นทั้งลูกด้วยนะคือถ้าเกี่ยวกับคนที่เป็นแม่เราก็เป็นเป็นลูก ถ้าเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นลูกเราก็เป็นแม่ถามว่าเรานี่เป็นเหตุหรือเป็นผลต้องดูว่าไปเกี่ยวข้องกับใครถ้าเกี่ยวข้องกับลูกในฐานะเป็นเหตุถ้าเกี่ยวข้องในแม่เป็นฐานะเป็นเป็นผลในสิ่งนั้นๆก็เหมือนกันแล้วแต่จะ ก, กล่าวอการกล่าวถึงปัจจัยบางอย่างก็คือเพื่อความเด่นชัดของเรื่องนั้นๆเท่านั้นเองแต่ว่าจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เป็นสังขารธรรมแต่ละอย่าง เกิดจากปัจจัยประชุมพร้อมทั้งนั้นเลยเขาเป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ไปเป็นผลอีก อ, อีกอย่างหนึ่งนั่นแหละมีเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนานะครับถ้าผู้ใดเข้าใจตรงนี้ถ่องแท้นะเข้าใจโดยตลอด น, ะนั้นน่ะหมายความว่าเราเข้าใจความเป็นอนัตตาแล้วใช่ป<อ>่นะเพราะความรู้ในพุทธศาสนานะที่สุดของการศึกษาพระธรรมคําสอนคือความรู้เท่านั้นเองวิชาและวิมุติเป็นแก่นของศาสนานงะ แก่นของศาสนาคือวิชาและวิมุตติเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมคำสอนทุกหมวดเพื่อวิชานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอาถ้าตั้งใจเพื่ อ, อยังอื่นนี้ผิดเบื้องต้นนี่ก็หมายว่าเพื่อปัญญาเบื้องต้นเพื่อสแสวงหาพรหมจาร์นะพรหมจาร์คือศีลสมาธิปัญญาพรหมจาร์นี้เพื่ออะไรเพื่อสังวระาปาระา น, ะนิโรธายะสัมโพธายะและนิพพานายะ ก็คือเพื่อโลกุตระธรรมเรียนปริยัติธรรมเพื่อโลกุตระธรรมนั่นแหละถ้าให้ใช้ศัพท์ง่ายๆหน่อยนะสังวระก็คือสังวรในชั้นต้นเลยก็คือฟังพระธรรมเพื่อให้ได้สังวรทั้งห้าประการสังวรเพื่ออะไรนะสังวรเพื่ออาวิปติสารเนะอาวิปติสารเพื่ออะไรปราโมทนะถ้าศึกษาพระธรรมแล้วไม่ใจไม่เชิญขึ้นเลยเนี่ยแสดงว่าผิดแล้วนะ อย่าไปคิดว่าโอ้โหฉันศึกษาพระธรรมนะจริงจังเครียดขึ้นเขารู้เรื่องทุกข์แต่ไม่ได้สอนให้เขาเป็นทุกข์นะวันไหนถ้าเราโอ้โหดูจะพิจารณาธรรมะเยอะยิ้มไม่ออกสักคำเลยนะแสดงว่าเนี่มหากุศลนข้อไหนยิ้มไม่ออกเหมอุบเบกขาใช่ไหมบางทีกรเดียดไปโทรศัไม่ใช่ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยอมันจะต้องมองว่ากุศุลจิตเกิดเนี่ยนะมองเห็นทุกข์จริงแต่คนที่เห็นทุกข์เนี่ยอยู่เป็นสุข ะไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างอื่นนะยิ่งเห็นทุกข์มากๆเขายิ่งไปทุกข์ตามไม่ใช่นะยิ่งมองเห็นทุกข์มากยิ่งเห็นสุขยิ่งเกิดความสุขเขาบอกว่าผู้ใดเกิดปรามโมทจากธรรมเขาว่าไงปรามโมทที่เกิดจากการเห็นเกิดดับก็คือเห็นทุกข์โอ้ทุกข์จริงๆแต่คนเห็นไม่ทุกข์เอาคนเห็นกลับฉันได้ทางแล้วล่ะเพราะฉะนั้นผูดด้ใดนะครับ <c oughs> ปฏิบัติธรรมแล้วเกิดทุกข์กลับบ้านดีกว่าเขาเรียกว่ายานหอบเสือนะ S <S เคยมันนี่มันเคยได้ยินแล้วอ่าดูดีนะมันเกิดทุกโอ้โหเหลือล้นเลยอะ่ะนั่นถามว่าเป็นกุศลเลือกกุศลเนี่ยต้องสงสัยต้องสงสัยแนละ้วแค่เบื้องต้นก็ลำบากแล้วนี่